พระบัญญัติ373ก็ภิกษุใดวิกับจีวรด้วยตนเองแก่ภิกษุหรือแก่ภิกษุณีหรือแก่สิกขานาหรือแก่สมมเนนหรือแก่สมเนรีแล้วใช้สายจีวรที่ยังไม่ได้ปัดจุดถอนต้องอบัติปาจิตตีเรื่องพระอุปนันธสักยบุตรจบ